บุกทูเก้าสิบนาวดกประโยคคำสั่งสอง i m p e r a t i v o ดูโกนหนวดราซูวินไปอาบน้ำลาว o v ิน หวีผมคอมบูบินโทรมานะรอกรอกเริ่มได้แล้วคอมเมนซูคอมเมนซูหยุดเธอเชสูเชสูช่างมัน ลัสุทียมพูดมันออกมาดิุเดิรุทมซื้อมันมาอชุเียมชเุเทียมอย่าหลอกลวงเด็ดขาดเนนิยมเอสตูมัฮนสตอย่าสนนะ Ne นิยมอ tu อตอย่าหยาบคายนะ ne นิยมอสตูมลจจริงใจเสมอนะ c ชยอใจดีเสมอนะ c ชยสสุภาพเสมอนะชมเอสตูเจนต กลับบ้านดีๆนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะมาเยี่ยมเราอีกนะคะคารุณาไปที่ www. b o o k t o de